อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนค่ ะ, ะปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน12ปีมะเมียค่ะก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมารัปรุณทุกท่านเลยนะคะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์พระมหาเพริบูล องค์พระอาจารย์องค์ปาถุประจํารายการของเรากันดีกว่านะคะกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าข่ะเสิพานสาธุเจ้าค่ะก็อย่างที่ว่านะเจ้าค่ะว่ามาจากเมื่อวานนี้ช้าวันเสาร์ก็จะมาตอบปัญหาที่คุณมารีได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะคุณมารีถามว่าสวดมนต์โดยไม่ได้แปลความหมายอันนี้จะได้อันนี้สงฆ์มากน้อยเพียงใดเจ้าคะ อันนั้นก็เป็นคำถามในข้อที่หนึ่งะเจ้าคะ่ะส่วนคำถามข้อที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ก็คื อ, อคุณมารีถามมาว่าอตอนตื่นมาสวดมนต์เนี่ยก็ถามว่าสวดมนต์บทไหนดีจะสวดมนต์คือสวดทั้งเช้าทั้งเงย็นแล้วเนี่ยจะเพิ่มบทสวดพาหุงมหากาหรือคาถาชินปัญชรไปด้วยเลยเนี่ยเห็นสมควรหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ<ม>่ะก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ สักจะตอบเลยเจ้าค่ ะ, ะก็อธิบายถึงเรื่องของการสวดมนต์นิดหนึ่งในความเห็นของอาตมาเองนะการสวดมนต์อาตมาคิดว่าดีาการสวดมนต์คิดว่าดีเพราะอะไรเพราะว่าคำ ว, ว่าสวดมนต์เนี่ยคือหมายถึงเป็นการสาทายเป็นการสัจชายะเด่นเป็นการท่องจําอาไวาง่ายาๆเป็นการท่องจําคําของพระพุทธเจ้าอันนี้ดีมากแตนะ่คืออะไรที่มันเป็นสุภาษิตเป็นคําพูดดีๆเนี่ยเรามาท่องจําไว้มันก็ดีนะ เช่นว่าสุภาษิตหรือว่าคำคมอะไรต่างๆเราเอมาจําไว้แหมคํานี้งดงามสวยงามเราก็อามาจําไว้อันนี้ก็ดีในเป็นการประดับความรู้ของเราทีนี้โดยเฉพาะยิ่งยิ่งถ้าเป็นพุทธพจน์ในเป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไวนะ้ผ่านการกําหนดบดเพี้ยนชนะไว้อย่างดีผ่านการไข่ครวนไตร่ตรองมาแล้วนะค้นพบแล้วถึงความจริงสัจจ์ต่างๆแล้วก็พูดเอาไว้แนละ้วเราก็ทรงจําคํานี้เอาไว้ท่องจําให้ได้ ทำให้ขึ้นใจเลยแทนตลอดด้วยดีด้วยความเห็นด้วยมันจะดีมากแต่ซึ่งตรงนี้เป็นผลที่จะได้จากการอะไรก็ได้จากการที่เราสวดมนต์นั่นเอง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการที่เราสวดมนต์เนี่ยก็ควรจะรู้คําแปลด้วยอันนี้จะเป็นการดีมากแล้วถามว่าในที่นี้คุณมาลีก็ถามเอาแล้วถ้าไม่ได้แปลเนี่ยจะได้อ น, นี้สมไหมคําตอบในที่นี้ก็คือว่าได้แน่ <Okay. S 1> นนแต่ว่าอ น, นี้สมก็คงจะไม่เท่ากันกับตอนที่เรารู้คําแปลด้วยเหมือนอย่างเราพูดเป็นนกแครนนกขุนทองอะนะ คือนกแก้วดุกุนทองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ความหมายของศัพท์นั้นแต่การที่นกแก้วดกขุนทองพูดได้แล้วถ้าคนอื่นเขามาฟังแล้วรู้ว่าโอ้มันมีความหมายนีน้มันก็จะเป็นผลดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะแต่แน่นอนตัวคนพูดเองหมายถึงกรณีของตัวนกแก้วดกขุนทองเนี่ยเขไม่ได้เข้าใจคําพูดนั้นนะแต่มันก็ยังมีประโยชน์อ่ะถ้าเวลาที่คนอื่นเขาเข้าใจเขามาฟังเพราะฉะนั้นปปการที่ถ้าสวดมนต์โดยไม่ได้แปลความหมาย อันนี้ทรงที่ได้ก็จะน้อยกว่าเรารู้คําแปลแน่ละเพราะฉะนั้นก็ขอสนับสนุนให้รู้ความหมายด้วยก็จะเป็นการดีในการรู้ความหมายด้วยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสวดทั้งไทยและบาลีหรือบาลีและไทยอย่างนี้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อย่างน้อยเราเราพูดคํานี้ออกมาเนี่ยเราควรจะรู้ว่ามีความหมายอะไรในบทนี้บทนั้นคือแปลว่าอะไรว่าไงาเถอะนะคะใช่คุณจะต้องทราบความหมายอันนี่คือประเด็นที่หนึ่ง แล้วประเด็ที่สองที่ถามเมื่อสักครู่ก็คือว่าควรจะสวดบทไหนบ้างทั้งเช้าและเย็นนะเช้าเย็นกลางวันก็สวดก็ดีนะเอามาท่องจำเหมือนเราท่องสุดคูณอย่างเงี้ยน ะ, ะนไม่เด็กๆ เ, เราท่องสุดคูณเนี่ยโหคุณครูเขาฝึกเราเนี่ยเช้ากลางวันเย็นเลยละนะกลับมาบ้านพ่อแม่ก็ยังฝึกอีกนะ่ะซึ่งมันก็ซ้อมทั้งเช้าทั้งเย็นน่ะก็ดีทีนี้บทที่พูดถึงว่าบทพระหงมหากาหรือว่าคาถาชินนับัญชรเนี่ยจริงจบทพวกนี้ก็เป็นสุภาษิตอยู่แล้ว ก็พูดถึงความดีความงามของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นธรรมาก็แนะนําว่ายิ่งเทพเป็นพุทธพจน์นี่มันจะดีมากจะดีมากเพราะว่าผ่านการกําหนดบทเพรญชนะมาจากคนที่มีความรู้ระดับสัมมาสมัมพุทธะนะซึ่งการกาหนดบทเพรญชนะของพรงะองค์จะไม่มีการผิดพลาดเลยนะเช่นอะไรบ้างเช่นธรรมจักรกับพตรนัสสูตรเช่นรัตนสูตรเช่นกรณีเมตตาสูตรเช่นมงคลสูตรพวกนี้ เอามาท่องได้นี่จะยิ่งดีมากอแต่เ <นะ S 2> พราะรรว่าพวกนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยคือคือหลักฐานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่สอนธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมะเองจะเป็นคารวะคนไหนหรือครูบาอาจารย์องไหนก็แล้วแต่ที่เขาสอนธรรมะเนี่ยเขาพูดธรรมะเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาจากที่พระพุทธเจ้าสอนเอาวไว้ที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันคาถาพระหุงคาถามหากาคาถาปัญชินะปัญชรเนี่ยเป็นคาถาที่แต่งขึ้นโดยครูบาอาจารย์ ซึงถามว่าท่านเอาข้อมูลมาจากไหนท่านถึงแต่งขึ้นมาได้แต่ท่านก็เอาข้อมูลมาจากที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้าจากพระสูตรตรงนี้จากพระสูตรตรงนั้นเอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้าตัวนี้ตรงเนี้ยมารวบรวมแต่งขึ้นเป็นสุภาษิตขึ้นมาน่าถามว่านี้ดีไหมเอเป็นสุภาษิต ท, ทำไมจะไม่ดีนะเพราะว่ากล่าวคุณของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งดีแน่นอน <จบ S 1> แล้วถามว่าท่านเอาข้อมูลมาจากไหนก็เอามาจากพระสูตรนั้นพระสูตรนั้นพระสูตรแล้วก็พระสูตรโน้นนะซึ่งถ้าเรากลับไปหาตรงพระสูตรที่ท่านเอามาเนี่ยมันก็ดีด้วยก็ดีด้วยเพราะ เรีตัวแม่บทเนี่ยตัวมาติกาตัวแม่บทเนี่ยเราอ่านข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะแต่งขึ้นมาใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้เข้าไปหาตัวแม่บทคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนได้เนี่ยนี่คือหลักการที่ถูกต้องอืมเจ้าค่ะก็คือยึดสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้และเป็นดีที่สุดนะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ<ช>้าค่ ะ, ะสําหรับคําถามข้อที่สองที่คุณมารีถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าคุณมาลีเนี่ยนั่งสมาธิ พร้อมกับฟังธรรมะไปด้วยหลังจากนั้นก็จะแผ่เมตตาเลยอันนี้เนี่ยถูกต้องไหมเจ้าคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติหลายๆท่านที่มีการสวดมนต์ด้วยถูกไหมวสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิแล้วก็เปิดเทศไปด้วยเปิดเทศนังสมาธิเสร็ก็แผ่เมตตาด้วยหลังจากนั้นก็แผ่เมตตานะอันนี้ก็ทําได้่แตทําได้ทดําดีไม่มีปัญหาทีนี้เรื่องของเมตตามันก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งว่าคนที่เจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำเนี่ย จิตก็จะตั้งมั่นด้วยรวดเร็ ว, รวะดังนั้นบางทีเราก็เจะเลยไม่ตาก่อนเลยก็ไดนะ้ไม่ต้องมาทําตอนท้ายนะคือทําก่อนเลยแล้วก็ ใ, <ช>ในขณะนั่งสมาธินั้นฟังธรรมะไปด้วยก็สามารถทําได้เพราะว่าหูเราก็ยังทํางานอยูนะ่หูเราคือหมายว่ามันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาได้ยินเสียงเข้ามาเราทำจิตให้เป็นสมาธินี้ก็สามารถทํ า, าทได้ก็<จ>คือคไม่มีปัญหาหลักขอให้ทำํนะทำทําในรูปแบบไหนเราก็ลองทําดูบางทีบางคนเนี่ย ชอบนั่งสมาธิแบบเงียบๆไม่มีเสียงบางคนก็บอกว่าอืถ้ามันไม่มีเสียงแล้วจิตมันฟุง้งซ่านเอาก็เปิดเสียงให้ฟังนะ อ, อันนี้ ก, ก็เป็นอย่างงั้นบางคนก็เป็นอย่างนั้นอันนี้นะก็แตกต่างกันไปตามก็เรียกว่าตามจริตที่เราถูกจริตของเราถูกไหมเ จ, จ้าคะใช่คือแต่ละวันบางทีมก็ไม่เหมือนกันอีกอดังนั้นเราก็ต้องลองทดลองดู้าค่ะแตนะ่แต่ขอให้เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอไม่ว่าจะเป็นการสวดมน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการเจริญเมตตาหรือว่าการฟังธรรมะอันนี้ดีทั้งนั้นทุกรูปแบบอารมาเห็นด้วยไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนะเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคุณมารีก็ถามมาว่าสักกายทิฏฐินะเจ้าค่ะกับอัตตาเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคเอาคำว่าสักกายทิฏฐิก่อนนะเจ้าค่ะทิฏฐิเนี่ยหมายถึงความเห็นนะสักกายเนี่ยคือความที่เป็นตัวตน นะความเห็นที่ว่าฉันเป็นตัวตนนี่คือลักษณะของสักกายทิฏฐิแตนะ่ตัวตนลักษณะไหนล่ะก็ความเห็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งอื่นคำว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยตรงข้ามกับอะไรก่อนนะตรงข้ามกับอะไรต้องทําความเข้าใจว่าถ้าเรามีความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันเป็นตัวกระทํำมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเป็นตัวกระทําค่ะ ความเข้าใจตรงนี้แสดงว่าคุณเข้าใจในลักษณะที่มันมีเหตุปัจจัยอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นได้ซึ่งความเข้าใจตรงนี้ตรงกันข้ามกับสักยะทิฏฐิสักยะทิฏฐิคือความเห็นชินิติที่ว่าฉันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรของเหตุปัจจัยใดๆเป็นตัวเป็น ต, น, ตนขึ้นมาตัวเองของฉันเองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น<ค>ถ้าจะพูดแล้วมันก็เหมือนกับอัตานั่นแหะเป็นตัวตนขึ้นมาซึ่งกับว่าอัตตาตัวตนเนี่ย มันให้ความรู้สึกชนิดที่เรียกว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันอายุตัวอย่างเช่นน้ํนา en, แ, ขนนแข็งก้อนหนึ่งน้ําแข็งก้อนหนึ่งมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจุ๊ค่ะถ้าเรามีสักยะทิฐิในน้ําแข็งนี้นะในน้ําแข็งนี้เราก็จะมีความเห็นว่าโอ้ยน้ําแข็งนี้มันจะต้องแข็งอยู่ยงนี้ตลอดแต่มันจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมันจะไม่ปเปลี่ยนแปลงตามด้วยอะไรก็ไม่รู้หลักถ้าสมมุติยังไม่มีความรู้ก็มไม่รู้หลักมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกกคคค่่ะเเออนีีีืาารยยวุณมัทิิ ในเกี่ยวกับก้อนน้ําแข็งนี้แต่ความเป็นจริงมันเป็นยังไงความเป็นจริงก็คือว่าถ้าอุณหภูมิของมันนไม่ถึง4องศาไม่ถึง0องศา้ความแข็งในก้อนน้ําแข็งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นของเหลวนโมเลกุลของน้ําที่อยู่ในน้ําแข็งเนี่ยก็จะกระจายตัวกันออกมาล้อมเหลวไปเป็นน้ํอาอ้าวแสดงว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยคืออุณหภูมินะเจ๊กขาไอความเห็นตรงเนี้ยที่เราเห็นว่าอ๋อมันเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ มันเปลี่ยนไปตามเป็นเหตุปัจจัยของมันอันนี้คือความเห็นที่เรียกว่าตรงกันข้ามกันกับสักกายทิฏฐิความเห็นตรงนี้ตรงกันข้ามกันความเห็นตรงนั้นคืออะไรคืออนัตตานั่นเองอ๋อเลยสิคะข้าจความเป็นอนัตตาอนัตตาคือความเห็นที่เรียกว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นไปตามเหตุอื่นน่ะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นไปตามเหตุผลแต่ถ้ามันมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ คดีกลักษณะความเห็นที่ว่าเป็นอนัตตาแตทีนี้สักกายทิฏฐิเนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องเหตุปัจจัยไงสิแตมันจะเอาอย่างที่ต้องการจะเป็นแนต่คือจบ อ, อเพราะฉะนั้นต้องการจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดแต่มันก็จะมีความเห็นที่เรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐิซึ่งก็เข้าข่ายอัตตานี่ก็คือเป็นลักษณะเดียวกั น, นในกรณีคําถามของคุณมาลีนะถ้าถามว่าสักกายทิฏฐิกับอัตตาเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่แต่คำตอบก็คือใช่นั่น่หละใช่นั่นแหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้นะแล้วการที่เราลืมไปเนะี่ยลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่ในความลืมไปตรงเนี้ยแสดงว่าเราไม่ได้เห็นความเป็นอ น, นัตตาในตัวของเราแต่นะว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่นะลืมไปก่อนลืมไปแล้อาจจะลืมไปสักสิปี20ปีในช่วงที่คุณลืมไปเนี่ยนะคุณมีสักยัิทิฏฐิแต่ก็หมายความว่าคุณยังเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอยู่มันยังไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ไอความเห็นที่เราคิดว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆเนี่ยตรงนี้คือสักกายทิฏฐิยังเห็นว่าเป็นอัตตาอยู่แต่ถ้าเราไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะไม่ประมาทคิดว่าเออมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะสักวันหนึ่งไม่รู้ใกลหรือไกลเนะเพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีอยู่แต่ความตรงนี้ก็เรียกว่าความไม่ประมาทแต่ก็คือเห็นว่าเป็นอันาตาหนึ่งอืมจค่ะคือคนที่เห็นว่าเป็นอันาตาเนี่ยคือคนที่ไม่ประมาทอยู่แล้วอืมจค่ะ ก็คือรู้ว่าทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปใช่ไหมเจ้าคะเป็นไปตามเหตุไ ม, มไม่มีอะไรเจ้าค่ะไม่มีอะไรที่มันจะคงทนตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่สิ่งนี้คือลักษณะที่เรียกว่าอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นนะคือความที่เป็นอนัตตาสิ่งนี้อาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นเช่นกรณีของลูกอย่างนี้ก็เป็นตน้นลูกนะ คุณจะมีลูกได้เนี่ยก็ต้องมีพ่อแม่าแต่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่ได้ก็ต้องมีลูกสิไม่งั้นเขาจะไม่เรียกพ่อแม่ใช่ไหยเขาเรียกผู้ชายผู้หญิงธรรมดาจค่ะแต่ถ้ามีลูกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเรียกเขาก็จะเรียกคนที่คลอดลูกนั้นออกมาเนี่ยมาเป็นพ่อแม่ทันทีใช่ไหมในขณะเดียวกันลูกที่ออกมาโพล่เนี่ยเป็นเป็นตัวอะไรออกมาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าลูกทันทีเพราะว่ามีผู้ให้กําเนิดอืเขาก็จะเรียกว่าลูกทันทีเพราะฉะนั้นความเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาศัยความเป็นลูกนั่นแหละเกิด จึงเกิดความเป็นพ่อเป็นแม่ขึ้นมาใช่ไหมอืมเจ้าค่ะความเป็นลูกเนี่ยก็อาศัยความเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละจึงเกิดความเป็นลูกขึ้นมาได้คุณเิดใจก็ใจไหเข้าใจเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นพ่อเป็นแม่และความเป็นลูกเนี่ยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเจ้าค่ะอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นมันไม่ได้ตัวมันเองมันเกิดขึ้นเองได้อืมเจ้าค่ะนี่แหละคือความเห็นที่เราเป็นอนัตตานี่คือลักษณะของความที่มันเป็นอนัตตาเจ้าตรงกันข้ามเป็นยังไงตรงกันข้าม เดีคือถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเลยแต่๋ยวฉันเป็นอย่างนี้มาเลยนดีไม่ได้มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยนดีไม่ได้มีอะไรที่เป็นต้องอาศัยอะไรเกิดเกิดขึ้นฉันสวยของฉันฉันหล่อของฉันฉันรวยของฉันฉันดีของฉันอย่างนี้ในความคิดตรงเนี้ยในความคิดตรงนี้คือตรงข้ามกับอนัตตาเดี๋ยคือเข้าข่ายลักษณะว่าเป็นสักยทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนเดีไม่ได้มีอะไรที่จะมาทําให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้มันยังคงอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆ อแต่ถ้ามีความคิดอย่างนี้สักสองปีแต่คุณก็มีสักยะทิฏฐิอยู่สองปีตรงนั้นเจ้าค่ะคิดว่ามันจะยังไม่เปลี่ยนแหะฉันก็ยังหนุ่มอยู่ช่วงสองสามปีนี้ตรงนี้คุณก็มีสักยะทิฏฐิอยู่ตรงนั้นสองสามปีนั้นเจ้าค่ะอันนี้ก็เรียกว่าปรมาจิตหนึ่งเจ้าค่ะยอมก็ขออนุญาตกราบนพรสการ์เวนถามนะเจ้าคะว่าเอทนี้คนที่มีสักยะทิฏฐิแบบนี้เจ้าค่ะหรือมีอัตตาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการคิด ความเห็นที่ไม่ถูกต้องถูกไหมเจ้าคะใช่เป็นความเห็นที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่คือไม่ถูกต้องก็พูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเลยเนี่ยนะคุณเดินใจเขาจะสามารถละสักกายทิฏฐิได้คนที่มีความเห็นว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาคือความเห็นอะไรในเรื่องของสัมมาทิฏฐิก็คือเรื่องของอริยสัจสีแต่เขาเห็นว่าอ๋อมันมีเหตุมันจึงมีผล เหตุของอะไรเหตุของความทุกข์มันจะมีความทุกข์ถูกไหมถ้ามันเหตุของความทุกข์มันดับไปความทุกข์ก็ต้องดับไปเข้าใจตรงเนี้ยเข้าใจตรงเนี้ยเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลว่ามันต้องมีสิ่งอะไรเกิดมาเป็นเหตุของผลที่มันจะต้องเกิดมาเป็นสิ่งที่เรารับรู้รับทราบเนี่ยความเข้าใจตรงเนี้ยจะทําให้ไอ้สักยะทิฐิเนี่ยมันดับไปดับไปนั่นคือคนที่เข้าถึงกระแสเข้าสู่กระแสของความที่อ้า ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ยคุณไปสู่กระแสของคนที่จะทําความดับของทุกได้เลยนะคือเข้าสู่กระแสของนิพพานเจ้าค่ะสัพท์ดีเข้าใจก็คือเป็นพูดถึงกระแสที่จะไปสู่นิพพานได้อืมเจ้าค่ะคือเริ่มจะมีความคิดหรือความเห็นไปในทางที่ที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะหันหัวมาถูกทางแล้วอ๋อเจ้าค่ะหันหัวเรือมาทางที่จะไปออกทะเลแล้ว เจอกระแสก็คือนิพานนั่นเองนิพานนั่นเองใช่ใช่ค่ะหันหัวมาถูกทางละแต่ทีนี้ไอ้การหันหัวไปถูกทางในที่เรียกว่ามีสัมมาทิฐิตรงนี้ในที่ว่าจะคลายสักกายทิฐิตรงนั้นได้เนี่ยเออเราจะละเจ้าสักกายทิฏฐิได้อย่างไรเราจะทําอย่างไรให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ในความเห็นที่เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเด็กคุณเดินใจว่าสักกายทิฐิคืออะไรอัตตาคืออะไร แล้วไอ้ที่ถูกต้องที่ว่าเป็นอนัตตาเนี่ยคืออะไรเนี่ยไอ้ความเห็นตรงเนี้ยที่ว่าอะไรผิดและอะไรถูกเนี่ยเรารู้ขึ้นได้ตรงเนี้ยนะ่ยมันอาศัยการที่ต้องทําไว้ในใจอย่างแยบคายเราต้องคิดวิเคราะห์อย่างแยบคายแต่กเดี๋ยวโยนิโสมันนสิการในคิดวิเคราะห์อย่างแยบคายแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันไม่ถูกนีน่นาถ้าเราจะไปเห็นว่าฉันก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่ในช่วงสามสี่ปีนี้อา้าวความเห็นช่วงสามสี่ปีนั้นของคุณ เนี่ยเป็นสักกะยที่ดินะมันไม่ถูกนะออืแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าโอ้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นล่ะเนี่มันมีเหตุของมันมันจึงเกิดขึ้นได้เนี่เข้าใจตรงนี้เอ้าคุณมีความเห็นที่เราเป็นอนัตตานะเนี่ยความว่าคุณพิจารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละมันจะทําให้เกิดความเข้าใจความเห็นที่ถูกต้องตรงนี้ได้ อ, อเนี่ยการคิดใคร่ครวญตรงนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิกานเนีถ่ถามว่าโยนิโสมนสิการคือการคิดใคร่ครวญแต่ตองนั่ ถามว่าแมมแล้วเราคิดไตรครวณไตรตรองอยู่เป็นประจำมันเท่าไหร่ถึงจะพอถึงจะทําได้อเจ้าค่ะอันนี้เป็นคําถามที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านก็คงอยากจะทราบจากพระอาจารย์นี่ยเจ้าค่ะด้วยเมตตาชี้แนะเลยนะเจ้าค่ ะ, ะ, ะมันต้องอาศัยเหตุอมันต้องอาศยอยู่สองจุดด้วยกันจุดแรกคือเวลาที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงเรื่องโยงนิโสมณัสิการโยนิโสมณัสิการเนี่ยมันมันคิดใตรควณแยบคามันแยบคายตรงไหน นะซึ่งพระเจ้าเคยเฉลยไว้ในอีกประสูนย์หนึ่งที่พูดถึงว่าอะไรคือโยนนิสโสมนสัสการก็คือการคิดใคร่ครวนในลักษณะที่เป็นไปในทางอริยสัจสี่นะคิดใคร่ครวนในลักษณะที่พูดถึงทุกคิดใคร่ครวนในลักษณะที่พูดถึงเหตุของปัญหาคิดใคร่ครวนในลักษณะถึงสิ่งที่เราเจอกับมันอยู่นั่นคือเรื่องของความทุกคิดใคร่ครวนในลักษณะที่ว่าเอ้มันมีเหตุอะไรนะถึงมันจึงมีความทุกตรงนี้ได้คือเหตุของความทุก คิดใครวในลักษณะที่เราเอ๊ะมันมีความดับของทุกไหมคิดคคร่กลวในลักษณะที่ว่าเอาแล้ทางให้ถึงความดับทุกเนี่มีหรือเปล่านะในคิดใคร่กลัวตรงนี้คําว่าทุกตรงนี้นะเป็นตัวแปรนะคุณเดนใจนะเป็นตัวแปร x แล้วคุณจะใส่อะไรลงไปตรงนี้ก็ได้อย่างเช่นว่าเราจะใส่สิ่งที่เราพบเจอนะเป็นทางตาเป็นทางหูเป็นเสียงของคนนั้นเป็นเรื่องราวตรงนี้เราใส่ไปตรงนี้ได้เลยแนะนะมันก็จะไปเจอเหตุของมันมันก็จะไปเจอความดับของมัน นี่มันจะไปเจอตรงนี้คิดใคร้ครวนตรงเนี้ยนี่คือลักษณะที่จะทําให้เกิดโยนิโสมารสิการทำให้เกิดสิ่งที่เราเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นอนัตตาได้เนี่คื อ, อคฟอร์แมตอ่าแพทเทิร์นมันเป็นอย่างนี้นี่คือข้อที่หนึ่งรประเด็นที่หนึ่ง อ, อ่าประเด็นที่สองา ก, การคิดใคร้ครวนตรงเนี้ยมันก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยถามว่าเราจะเข้าใจให้ไปถึงในใจเลยเนี่ยไม่ใช่แค่คิดอยู่ในสมองเฉยเฉยเนี่ย จิตนั้นก็ต้องเป็นจิต ท, ที่มีสมาธิด้วยนหะนมีอารมณ์เป็นนันเดียวไหนะจิต ท, ที่เป็นอารมณ์เป็นนันเดียวเป็นสมาธินี่แหละจะทาให้เราสามารถคิดไครครวญอยูนิสโสมนสิการแล้วได้ผลเนะี่ยเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นในใจเข้าไปใน ใ, นใจได้อืมคือไม่ไงั้นมันจะอยู่ที่สมองอ่ะนะเป็นความคิดในทางตร ก, กะเฉยๆใช่งจะเป็นความคิดในทางตรกะแล้วมันตนต่อการเพ่งพินิจแล้วนหะนบวกลบคูณหารมันน่าจะใช่อย่างงี้นะ แต่มันยังไม่เข้าไปในใจเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดสมาธิทิอืมิมันก็ยังไม่สามารถละศักระยะทิฏฐิได้ก็ใช่ไหมใจจะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทอํายังไงให้มันเข้าไปในใจละ่นะนใจตรงนั้นก็ต้องเป็นใจในลักษณะที่มีอารมณ์เป็ น, นันเดียวพอสมควรแต่กนละาว่าอารมณ์อันเดียวเป็นพอสมควรเนี่ยหมายความว่าคือเราไม่ได้ลําเอียงไปในลักษณะที่เข้าข้างตัวเองหรือเราไม่ได้มีอคติในสิ่งที่เราไม่ชอบนะจิตต้องไม่เป็นอย่างนั้นก่อน อเพราะว่าถ้าสมมุติเรามีความลําเอียงเข้าข้างตัวเองเฮ้ยมันก็นี่ของฉันหน่าอย่างเงี้ยน ะ, ระหรือว่าเรามีอคติในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยจิตของเราตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะเห็นตามที่มันเป็นได้นั่นะคือคุณคนลําเอียงแล้วอะคุณคุณมีอคติแล้วอ่ะนั่นมันก็เวลาตัดสินใจอะไรมองสิ่งไหนมันก็เข้าข้างหรือว่าลําเอียงไปก่อนแล้วหรือว่ามีอคติไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเห็นสิ่งใดมีความเห็นใดๆ ถ้าจากจิต ท, ที่มันยังมีการเข้าข้ามีการลำเอียงอยู่มันก็จะไม่เห็นภาพตามจริงคือไม่เป็นไปตามเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นจิตตรงนี้ใ น, นนี่คือประเด็นที่สองว่าจิตตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจิต ท, ที่ไม่ลำเอียงไม่เมีค ต, ติคือไม่พุ่งเข้าไปหาสิ่งที่ชอบไม่วิ่งหนีในสิ่งที่ไม่ชอบนะทพท์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือว่าไม่ถูกครอบงาโดยสิ่งภายนอกนะการที่ไม่ถูกครอบงา ไม่เกลือกกลัว่วไม่ไปเผลอเพลิในสิ่งที่เราไปกระทบนั้นสภาวะจิตตรงเนี้ยคือจิตที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอืเจ้าค่ะอารมณ์เดียวในที่นี้ก็คือมีสติตั้งอยู่มีสมาธิอยูใ่ในลักษณะนั้นเจ้าค่ะพอบีตรงนี้ได้ก็ทําให้เกิดสมาธิฏิถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องอคิดในทางที่ถูกที่ควรว่าอย่างนั้นเถอะใช่รู้แจง้งเห็นจริงในสิ่งที่เป็นจริงในโลกนี้เจ้าค่ะใช่ใช่ อต่ น, นี้ ค, คือสองเหตุปัจจัยที่สําคัญคะนะสามในครั้งหนึ่งคือเรื่องของโยนิโสมนัสิกานนะคือในลักษณะของอริยสัจสี่นะอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของสมาธิในะนี้เราต้องมีอันยังมีอีกสองสาอย่างที่คิดว่าเพิ่มเติมไม่ได้ในที่นี้คุณใจมิบนบอเลยเจ้าค่ะ อ, อันที่สามา ถ, ถัดมานี่ยก็คือพระรูปเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าถ้าเราได้ฟังธรรมเน่คนที่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะเกิดการใคล้าครวนได้แตอย่างกรณีท่านดูฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยเป็นการฟังธรรมนะ หรือว่าอ่านจากหนังสือบางเล่มก็อธิบายถึงสัมมาทิฏฐิก็อธิบายถึงสักกะยะทิฏฐิก็อ ธ, อธิบายถึงอัตตาอธิบายถึงอนัตตาไว้อเราได้ฟังเราได้อ่านธรรมะอันนี้ช่วยได้ในการใคร่ครวญโยนิสมงสิการได้ อ, ห ร, อหรือว่าอีกประการหนึ่งคือเราเจอความทุกข์เราเจอสิ่งที่เป็นทุกข์แหมเจอปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยแม่ทําไมมันมีปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยนะอะถ้าเราเกิดปัญหาในชีวิตแล้วเจอปัญหาแล้วอีกทางออกหนึ่งของปัญหาได้เนี่ยคือความเข้าใจตรงนี้ อาจจะเกิดขึ้นได้แต่คือเราเจอปัญหาอยู่เฉพาะหน้าทําให้เราต้องหาทางแก้ทางแก้จะมีทางนี้เท่านั้นแหละที่พูดถึงเรื่องของสมาธิติพูดถึงเรื่องโยนิโสมนัสสิการพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแต่เราก็จะมาเจอทางนี้ได้เหมือนกันอืเจ้าค่ะเพราะอันนี้เป็นทางที่เหมือนกับเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่แท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะทางเดียวเลยล่ะทางเดียวเลยเจ้าค่ะเพราะทางอื่นไปแล้วมันจะตันทางอื่นไปแล้วมันก็จะเจอความทุกข์อย่างอื่น มันก็จะถูกตันตันตรงนั้นตันตรงนี้ก็ต้องมาออกทางนี้ทางเดียวอม้นก็จะเจอทางออกตรงนี้ได้เหมือนกันก็คือการพ้นทุกนั่นเองถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่ใช่สาธุเจ้ า, าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะเราเวลาในรายการเราเหลืออยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะเจ้าคระอาจารย์มีแง่คิดอะไรที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านอเป็นแง่คิดสําหรับเรื่องของการคิดในทางที่ถูกที่ควรนี้เพิ่มเติมอีกไหมเจ้าค้นี่หมดเลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวสรุปในที่นี้ าการกระนใจเป็นการให้ข้อมูลกันเล่าฟังให้ <Okay. S 1> ให้เกิดความเข้าใจก็คือว่ า, าความเข้าใจที่ถูกต้องที่เราพูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นแต่มันอาศัยสิ่งอื่นแล้วมันจึงเกิดขึ้นได้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองเดี่ยวๆโดดๆนะมันต้องมีเหตุปัจจัยของมันในการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอ น, นัตาตาดังนั้นสัมาถถิิฐ ก็จะเห็นความเป็นอนัตตาแต่ซึ่งมันจะตรงข้ามกับเรื่องของสักยทิฏฐิก็จะเห็นความเป็นอัตตาซึ่งไอ้ความเผลอเรอทําให้เราเห็นเป็นอัตตาทําให้เราเห็นเป็นสักยะทิฏฐิไปเนี่ยตรงนี้คือความประมาทเราจะออกจากความประมาทเราจะออกจากความประมาทเราจะออกจากสักยะทิฏฐิได้แต่ต้องอาศัยการไร้ครวนอาศัยการไข้ครวนอาศัยสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการไร้ครวนอย่างที่ว่า การใคร่คว ร, ควรทําในใจโดยแยบขายคือโยนิโสมรัสิการหนึ่งโยนิโสมรัสิการก็คือการคิดใคร่ควรในรูปแบบที่เป็นอริยสัจ ส, สี่แนตะ่เราจะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้การฟังธรรมช่วยได้การที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิอันนี้ก็ช่วยได้การที่เราครบเพื่อนดีแตนะ่คนที่เขาคอยแนะนําให้ข้อมูลเรานะมีพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นต้นมีอริยสาวกของพระพุทเจ้าเป็นต้นอันนี้ช่วยได้หรือว่าการที่เราเจอปัญหายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรามีสัมมาทิฏฐิเจอปัญหายอย่างใดอย่างหนึ่ง นีแล้วมีสมาธิถี่ก็จะเกิดศรัทธาขึ้นได้แต่พอมีศรัทธาแล้วมันจะมาเจอทางออกตรงที่ว่าเป็นสมาธิถีิตรงนี้นั่นเองอรัะนั้นตรงนี้มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่เป็นประจําคุณใ จ, จ <บ S 2> แต่ไม่ว่าปัญหาใด<น>ๆที่เราเจอในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะทางออกมันคือเราตั้งสติเอาไว้ก่อนแต่เราตั้งสติขึ้นก่อนให้เห็นปัญหานั้นอยู่อย่างตามเนื้อผ้านว่าเหตุปัจจัยของมันเป็นยังไงแต่เรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไรเราพิจารณาใค ร, คร้กลัวตรงนี้อย่างน้อยใจเราสบาย แทางออกของปัญหาก็ค่อยคิดค่อยแก้ไปอืเจ้าค่ะเมื่อเราเกิดปัญหาในชีวิตอะไรขึ้นก็ตั้งสติไว้นะเจ้าค่ะก็คิดไคร์ครวนให้ดีอย่างที่พระอาจารย์แนะนํานะเจ้าค่ะตรงนั้นก็จะทําให้เราเห็นจริงต่งนางๆานด้วยความเป็นหน้าตาได้เห็นด้วยความเป็นนัตตาแล้วนนจิตของเราก็จะคลายความกําหนัดยึดถือถูกเกลือกลั้วหรือถูกครอบงําโดยสิ่งนั้นอถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ยังมีความผาสุขได้ถ้ามีความสุขเกิดขึ้น เราก็ไม่กำหนัดลุ่มหลงมีความผาสุกได้เหมือนอกันเจ้าค่ะสาทูเจ้าค่ะค่ ะ, คะท่านผู้ฟังคะดิฉันเชื่อมันว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมาราปุลในเช้าวนันนี้ซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบุต์อภิปุโนะท่านได้เมตตามสาสักษาหรือว่าพูดคุยประเด็นในเช้าวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้เนี่ยหลายท่านได้แง่คิดดีๆทีเดียวนะคะแล้วก็ทําให้เกิดมงคลในชีวิตของเราค่ะ ว่าท่านเมื่อเผชิญปัญหาหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราซึ่งเป็นไปตามโลกมนุษย์เราโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะทำจิตอย่างไรให้เรามีความสุขอยู่ได้แล้วก็จะทำอย่างไรที่จะพบทางที่รกเป็นทางที่ถูกที่ควรและเป็นทางสว่างก็คือการที่จะพ้นทุกไปอย่างแท้จริงแม้ว่าเรายังทำไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าเราก็เห็นทางแล้วดีฉันคิดว่า ข้อแนะนําของพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับท่บานผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจหรือมีปัญหาอะไรในชีวิตในระยะนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรัปปุรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวนาานนันอาทิตย์นี้หมดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วคะ่ะก็คงจะต้องข อ, อนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบน้ำมัตการลาพระอาจารย์พระมหาพัยบุญอภิปุโนและพระเฤาษีภคูลหลวงพ่อรดรสอาดทิตย์ตัวผส หรือท่านพระครูสิทธิ์ปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโตกเพียงแค่นี้นะคะภูมิงนเช้าในรายการธรรมารบุญกลับมาพบกับอาจารย์พระมหาพัยบุญอภญิปุโนอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการเช่นเคยค่ะพระอาจารย์ก็จะเมตตามาพูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษค่ะก็ขอนําทุกฟังกราบขอขอบคุณและกราบน้มสักการาเพียงแค่นี้นะคะกราบขอขอบคุณและกราบน้อมสักการาเจ้าขาพระจเจ้าขาเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ